เลยความหลงก็ไปไกลนะไปเป็นเปรตเป็นสุรกายปกเป็นจระโลกเป็นสัตว์เดรัจฉานความรู้ก็ไปไกลเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพระอินทร์เป็นพระพรหมเป็นพร ะ, พะถึงมรรคผลนิพพานความรู้นะก็มีทางแยกอยู่พอเดินทางไปสู่ความหลงความรู้เนะี่ย เราก็เห็นกันทุกคนเวลามันหลงก็รู้แยกออกมาหน่อยเรื่องหลงก็มีรสชาติแต่ความลูกมันรสจื ด, จดรสจืดมันดีนะอาหารที่มันมีคุณภาพทุกทุกวันนี้พิสูจน์แล้วคือรสจืดอาหารรสจืดมี ผลดีต่อสุขภาพมากไม่ใช่เคมจัดเผ็ดจัดอะไรต่างๆอาจจะไม่ดีเสมอไปอาหารท้องใจแล้วก็รสจืดๆของลูกมันจืดๆไม่มีค่าของหลงมันมีรสชาติมีค่ามากแล้วก็สัตว์โลกทั้งหลายก็ติดตรง น, นั้นล่ะแล้วกับมา เราจะมาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิดเห็นธรรมให้มันจืดเห็นกายสว่างกายจะเอากายมันเป็นตัวเป็นตนให้มีรสวิชาต์กายมันก็มีรสชาติรสชาติของกายคือรูปรสกลิ่นเสียงมันเกี่ยวข้องกับจิต ด, ด้วย ที่เหมันเป็นเวทนาไม่ทั้งกายทั้งจิตก็แยกออกมาซะให้เห็นเวทนาสักุเวทนาพูดแล้วพูดอีกบอกตรงที่มันหลงบอกตรงที่มันถูกถ้ามันบอกตรงนี้มันก็ไปไม่ได้ผิดตลอดไปเหมือนเราเดินทาง หลงตางก็ไปเทศบ้านรัตนะอำเภอแงใหญ่ก็หลงทางบ้างนิดตรงเพราะเพราะไม่เคยไปแล้วก็ปฏิบัติธรรมเหมือนเรานี่หละ่ะสิบกว่าวันแล้วผู้สูงอายุหน้ากว่าที่นั่งอยู่นี่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 มันก็ต่างกันอาจจะแรงทำที่น่านเพิ่มให้เสียเปรียบเขาก็เอากันบ้านกหลอพยายามที่จะศึกษาเรื่องนี้ให้เห็นแข้งมันมีสิ่งที่ไม่ถูกมีสิ่งที่ถูกต้องดูเอาพบเอาสัมผัสดูเอา มันโล่งๆถ้าไม่โล่งมันก็หนักมันเป็นภาระอะไรมันเอาแต่พืตเพือาใจของเรานี้ไม่รู้จากอิ่มไม่รู้จากเบื่อเป็นธาตุของความอยากไปเรื่อยๆอยากไปสองทางอยากทางกาย อากทางใจทางการมันอยาก <c oughs> มันหิวข้าวหิวน้ำใจมันหิวความอยากที่ไปเกิดจากใจให้เท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอถงไม่รู้จบเต็ม ถาอยากทั้งใจเราทุ่มไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิมมกอ่มไม่รู้จักเบื่อเราจึงมาศึกษาให้มันเห็นแก่งอะไรควรไม่ควรมันบอกเราอยู่สมผัติเอาแล้วก็ทั้งสองทางเรารู้ความหลง ควาทุกข์ควมไม่ทุกข์ความโกรธควมไม่โกรธตรงพอใจควไม่พอใจความไม่เป็นอะไรถอนความพอใจและความไม่พอใจออกมาจะให้ใจเป็นใหญ่ไปทางที่ผิดใจมันก็เถื่อนได้ ส, ส, สัมชรโสเพณีอะไรก็ออกหมด ถอนถอนมาเปลี่ยนแปลงจึงจะหลุดพ้นถ้ายังมีอันเก่าอยู่ก็หลุดพ้นไม่ได้มีความหลงไม่ความพอใจมีความไม่พอใจอยู่มันก็หลุดพ้นไม่ได้จึงขวรขัดตัวเองหาช่วยตัวเอง สนกดีการช่วยตัวเองเนี่มันมีเหลี่ยมไห้ตัวเราถ้าเราถ้าเรายกมไห้ตัวเราได้ก็ยกมือไห้คอนอื่นได้ถ้าเราเคารพตัวเราได้เ ร, เ, รไดเรา เ, าเราครเารพคนอื่นได้ง่ายถ้าเราเป็นธรรมต่อเราได้ก็มีความเป็นธรรมต่อเฉยๆว่าทุกคนได้ง่าย ถ้าเราทําได้มันก็คี้เห็นคนอื่นคนที่รู้ย่อมคนที่รู้จากคนหลงคนที่พ้นจากความทุกย่อมเห็นใจคนที่มีความทุกคนที่พ้นจากความโกรย่อมเห็นใจผู้ที่มีความโกรช่วยเหลือกันเป็นนี่คืองานของมนุษย์ถ้าเราไม่ รู้จากวารู้ไม่รู้จากช่วยกันมาเป็นมหาหนักเข้าไปอีกคนโกรธก่อนเรากโกรธทีหลังเขาหัวช่วยกันโกรธต่อไปโกรธทั้งสองสามคนก็มีความกรธะติดต่อกันเป็นโลกเรียกว่าโลกโลกนม้มโลก โรคความโกรธโรคคิดเ ด, ดตั้งานลาคะติดกันจนเกิดโลกได้หลายอย่างชีวิตของเรามาเป็นภาหนะผลเพื่อนแม้แต่เป็นเชื้อโรคก็เป็นพาหนะไปติดกันจังหวัดอย่างวัด หมูวเขาเล่าเลือกันทุกวันนี่มันก็วางกับคนคนนี้ก็ไปได้ทุกประเทศวัดเชน น, นี้เกิดอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเดี๋ยวนี้ก็มาถึงประเทศไทยกำลังมีปัญหามากขึ้นอเอเชียอ่ะยุโรปไปหมดทั่วโลกแล้ว ส0บกว่าประเทศมันก็มาหากคนคนก็นั่งเครื่องบินวันเดียวขนาดคนละมุมโลกก็ไม่เกินยี่สิบกว่าชั่วโมงอย่างหลงตามาจากสหรัฐมาถึงเมืองไทยก็ไม่ไม่เกินยี่สิบชั่วโมงยี่บสามชั่วโมง มาสองต่อมาทางเกาหลีบ้างมาทางญี่ปุ่นบ้างมาทางไต้หวันบ้างเมื่อข้ามาสมวดเปซิปิกมันก็มาสิบแม่น้ำเช้าแม่น้ำสิบเป็นแผ่นดินเดียวเที่ยวทางกันบ่เหยียบพ้อกันคนเบิดบานกินน้ำบอ่อเดียว มันก็คือเรื่องนี้แหละคนหมดทั้งบ้านกินน้าบอ่อเดียวกินน้าปลาปาใช่ไหมบอ่อเดียวเที่ยวทางเดียวเดินทางเดียวมาเหยียบลอยกันเพราะนั่งรถมาเห็นลอยกันแล้วทุกันนะแต่ก่อนไปไหนจําลอยกันได้ทางไปนาไม่ต้องไปถามก็ได้เห็นลอยเดิน โอ้ยพอใหญ่นั่นไปแล้วแม่ใหญ่นี่ไปแล้วเนี่ยรอยเราเดี๋ยวนี้ไม่ต้องดูรอยมันไม่เห็นรอยเดินทางเดียวไม่เหยียบรอยกันเพราะนั่งรถ <c oughs> <c oughs> เป็นรอยของรถไปแล้วโูลาณท่านก็พูดอะไรมันถูกเกิดมาได้ยินเลยอ่ ว่าผงขามาผงขาวเสา อ, อกดอกมาผงข่าวพอกะเดาเสาผงมาผงขาวเสาอกดอกพอกะเดข้อไม่ขมเสา อ, อกดอ ก, าออ ก, ดอกมาผงขามันได้ยินมาตั้งแต่เกิดมารู้จักไหม มาเกิดเขาก็คือรถบอเตใสไวเหมือนบ้าเสาอกดอกก็เสาไฟฟ้าดอกสว่างสวยอยอันนี้ก็คือได้ยินมาตั้งแต่วันเกิดมาเป็นเด็กๆได้ยินคำนี้เลยสิบแม่นะ้ำสาวแม่นะ้ำสาวคือสองภาษาเรา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 แน่นาม้อเมริกาเนี่ยเขือบมหาสมุทรสองมหาสมุทรฝั่งตะวันตกเป็นแปซิฟิกฝั่งตะวันออกเป็นแอตแลนติกประเทศนี้ติดทั้งสองมหาสมุทรที่ตะวันตกแปชีวิตที่ตะวันออกถึงแอตแลนติกจากตะวันตกไปจูดตะวันออกนั่งเครื่องบิน8ดชั่วโมง จากสานฟาสฟิกออไปออเพียงบัตัทหาดเนี่ยไม่ใช้ถึงฝั่งเท่าไหร่แปดชั่วโมงแล้วใจกรเทศเราเรอยี่สิบเท่าอันนี้อันนี้ก็พื่อเยอนแมันก็เป็นอันเดียวกันแล้วลองตอนอนป่วยโรงพยาบาลให้หมอจากสลัดพูดกันได้ หลวงพ่อเป็นโรคก้อเนื้อตับอ่อนยังไม่มียรักษาเลยเพกับคนหมอที่โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลก็พูดต่อไป <c oughs> ก้อเนื้อตับอ่อนเอกิดจากก้อเนื้อตัวเร็วลำคอไปตอมน้ำเหลืองไปสู่ตับอ่อนโอ้ถ้ า, างั้นรักษาได้ <c oughs> รักษาได้รักษาได้ให้เคมีโอตัวใหม่โดยด่ ว, ดวน จ, กวนจนะกิดก้อนเนแบบื้อให้หลวงพ่อหายใจได้นะเขาพูดกันแป๊บเดียวมันก็นอนยี่สิบกว่าชัว่วโมงก็พระพุทเจ้าไิเฉลิมฉลองรักษาอื่นใดทั้งสิ้นให้เคมีโอโดยด่ ว, ดวนนะนก็หาย อั น, นอนโลกมันก็มาไวเหมือ น, นกับเขาสารเหมือนชนหนากับคนเราจงไม่เหมือนเก่าชุกวนันนี้ต้องเก่งกว่าเก่าอะไรไม่เก่งมันก็อยู่ไม่ได้แล้วนกทุกประเภทนกบางประเภทไม่เก่งหลบไปไม่เป็นสิ้นสิ้นพัดไปแล้วสูญพันธุ์ไปแล้ว เกียกบก็มันจะศูญพันธ์อะไรๆที่อยู่ที่นี่สุโกโตนี่สูพันธ์ไปหลายอย่างจัดป่าที่มันโง่ๆไม่มีแล้วศูพันธ์นไปหมดเช่นหนูหนูแผงตัวเท้าขาเนี่ยเวลาเรานั่งสร้างจังวะอยู่มันมางอย เราขึ้นบ้านขึ้นไหนก็ได้ถ้ามันมีที่บังงอยขึ้นมาจับเขา่าเราเคลื่อนไว้อยู่มันก็ยังขึ้นมาไตขึ้นมามนงอยบนหัวก็จับลงไปมันก็ยังขึ้นหัวอยู่เดินจงกรมก็เดนตามพื้นเดินนี่ไม่ได้เ ก, กะกะหนุ่เขาหนูแผงเนี่ย ต้งเอาเปลีกไม้ไปหาเปลี่กไม้ยาวๆที่ชาวบ้านเขาเลื่อยเอามาวางท่องหม้อเราก็เดินบนเปลีกไม้มันก็ยังเดินอยู่ข้างล่างแล้วเอานั่งอยู่กลางวันบันทีก็มาไต่ขาขึา้นมานั่งอมันเยี่ยวใส่มันก็เพื่อนไปหมดสักว <c oughs> <c oughs> ันออกมันหมดแล้วศูนผันไปหมดแล้วแต่ก่อนก็เป็นอาหารเสืออาหารงู งูเหลือมนนี้งูเหลือมก็ไม่มีสัตว์เพศนี้กินกินงูด้วยกันกินโคางคกด้วยคางคกแต่ก่อนที่นี่ล่องงงโปรยในอาสนานุรีในตรงในป่าเต็มไปด้วยคางคกแล้วดูฝนตกใหม่ตัวออดลูกโคางคกน่ยเต็มฝังไปเลย หูป่าที่อยู่ที่นี่มันไปกินลูกกอ้อนในกอบนะ้ํามันกินสุกินสุกินมันเป็นผงเป็นผงมันงูนะลูกกอ้อนน่ะเป็นแพร่เป็นแพร่อยู่นะหมูป่าไปก็ไปกินเพื่อเ๊ื่อเพืว่าเดี๋ยวอิ่มไปเลยไต้หวนันไม่มีสักตัวกลางคบก็ไม่แล้วงูหัวโหงูหัวก็กินเนาะ เนมนกวามสุขพันไปแล้วชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลตัวเองให้เฉลียวฉลาดมันก็เป็นเป็นภัยเหมือนกันทางกายก็มีภัยทางใจก็มีภัยมีอะไรไม่ค่อยดีช่วงวันนี้สิ่งแวดล้อมไม่ค่อยดีแม้แต่ของอยู่ของกินก็หมดไปหลายอย่างจากโรค ต่อไปห้าสิบกสิปีข้างหน้าน้าก็จะน้าจืดก็จะหมดนี่จะน้าเค็มถ้าน้ามแข็งเดี๋ยวนี้ก็โลกร้อนถ้าน้าแข็งละลายลงมามันร้อนมากม ก, กา็อาจจะเกิดน้มท่วมได้ ประเทศไทยก็ท่วมไปหลายจังหวัดเราไปดูน้ำแข็งท wow. ี่พืโลกเหนือแถวใกล้ทิเบตมองโกเลียแล้วก็ปาคีสถานไปขึ้นเขาน้ำแข็งที่นั่นโ็โทนอากัวม้กฟูขาเป็นภูขาเลยน้ำแข็ง ที่แลกก็เดินใส่บูทเดินเขาทําเป็นหนามๆถ้าใส่รองเท้าเดินไม่ได้มันลื่นเราก็เดินไปเดินไปไม่ไหวมันชันเกินไปก็ขึ้นก็เช่าขึ้นเขาไปสองสองอมาถัวน่ากลัวถ้ามันร้อนจริงๆไหลลงมาเนี่ยมันจะมีอะไรให้มันอยู่เปนดินเนี่ย น้ามันก็มีสองเท่าแล้วดินมีเท่าเดียวส่วนเดียวแล้วมันก็จจะเป็นไปได้ถ้านําแข็งลงมาสู่ทะเลมหาสมุทรทะเลก็โหน้นขึ้นท่วมเลยมีที่ใจพูมวัดปูข้องเลยละ่โะโคศกตัวน้ยช่วงโบกผลมาอยู่นี่ไรๆพวกหล่อมีเจ้าคณะจังบวัดเนชะียงอันจันบุรีมาเยี่ยมเห็นที่นี่โอ้ยผมขออยู่ด้วยผมขออยู่ด้วย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 สร้างเนี่ยมันบริหารส่วนเนียเป็นสาารบันนะเนี่ยเดินจงกรมสถาบันก็มีาภาระศึกษากเษกษตรกุุศาสตร์และจศาสตร์วิทยาศาสตร์การนิสสตร์ล้วก็มีเหมือนกันสถาบันก็เรามีภาระศึกษาเนี่ยออ ก, กำลังกายโยคะ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 เดี๋ยวนี้มีโดนโยกมเปลี่ยนเขียนแบบมีไม่มีนะสมัยก่อนนะมีหราล้งตามาบริหารตัวเองโดยก็แปลกสักหน่อยยอมเอาตามก็ได้หรือเอาตามก็ได้ั <c oughs> ขียนเขียนนะทีเห็นเราทําตามก็ได้ไม่เป็นไรนะต่อไปเขาจะว่านะลูกศิษย์หลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขาเขียนเพี้ยนไปแล้ว อเออแขนแขนค่ะอาจารย์เบียงก็ว่าได้ฮนะนี่เราเราหามาช่วยตัวเองะที่เราป่วยหัดเดินมันก็ช่วยเ้าเห็นอ น, นิสงส์คนอื่นจะมีหรือไม่ก็ไม่รู้แต่ว่ามีตำราการแินแขนเป็นของคนจีน คนจีนนี่เป็นคนที่มีอายุยาวที่สุดในโลกเพราะคนจีนเขาไม่อะไรดีๆอาหารการจกิ น, นก็จีนเจเป็นส่วนใหญ่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเขาก็ไม่นั่งเหมือนเราตอนนั่งก็ต้องฝึกสมาธิเขายื น, นจะไปจีนวันที่ยิะนี่ก็ต้องยืนทำวัด กับเขาตีข้องตีกองไปด้วยพุทธศาสนาเหมือนกันแด่ฝ่ายมหายานจังบ่ะตีข้อ ง, ต, องตีกองภิกษุณีเนี่ยจะเป็นผู้นำออกหน้าส่วนพระก็อยู่ข้างๆ <c oughs> พระก็ไม่ค่อยตีมีที่ภิกษุณีตีตีกองเป็นจังบ่ะบางบทก็ต้องเดิน ทำทักศิลเวียนอ้อมพระพุทธรูปศาลาที่ทำบทสวดมนต์เขาไม่เหมือนเราเขาเดินอ้อมได้เดินอ้อมได้ เ, ไดเป็นรอร้อยคนก็อ้อมได้ไม่หานถึงบทที่จะเดินก็เดินตีขอาไปด้วยก็ก็ก็ไปด้วย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 มเช่นนี้เป็นลูกไก่ตีข้องดังดีเหลือเกินบางวันไม่ค่อยได้ยินนะมีเสียงข้องดังโอมิตโตร้องดังตีโอมิตโโอมิตโตรูปอมิตโตรูปอมิตโตรูปอมิตโตรูปข้องดังเบาก็พูดบ ถูกไหมถูกไหมถูมถูกไหมถูกไหมถูกไหมถูไมถูกไหมถูกไหมกไมถูกไหมถูกไหมถูกไหมถูกไหมถูกไหมถกมไมถไหกมไมูกไหหมถกไไมถูกไหมกูกไูกไหมถูกไหไหมถูกมกกหม เอะมิโตภูอะมิโตภูอะมิโตภูอะมิโตภูอะมิโตภอมิโตภูจนเสียงก็หมดเสีองออะมิโตภูอะมิโตภูฮนะนั่นกะ็ทกดีฮมีแต่เหลกากาบนะอัดลงไปก็จะมีขันธทงเหลืองใหญ่เกลางไปว่าตีองไปถึงพระอินพรอผมถึงพระมิตรพุทธแล้ว เสียงคลองเสียงกองบอกถึงอมิตตพุทธภาวะที่มีความเคารพสูงสุดดังเรากลาบนี่ก็มีไหมมีไหมพวกหลองฮะหรอือว่ากราบแบบนี้เหรอไม่ใช่นะอันชลีอั น, นทาอาพีว่าเรากาลาวลงกพ็พุทธโททธเมนาโธกึ้นมา ต, ตมโมไม่นาทถสังโฆไมนาท ถ, ถ, ถ้าเราว่าแบบเดียวกันจะเงยพร้อมกันจะเพิ่มพร้อมกันอันเชลีอันธาอภิวาต่อหน้าผากมือถึงนี่หน้าผากถึงก้มลงให้แม่มือจุดคิ้วอบลง พุทโธเมลโถงงอยขึ bo, ้นเบนจังครับประดิษฐ์เน <m ath numbered> ี start start ่ยของของมหาจารย์เขาจะมีโตโบมีตโบมีโตโลกาบเขติข้องนะมีโตโบมีโตโบมีโตโบง่ยขึ้นโตโบพุทโธเมลโถงกำโมเมาโถงสังโฆเมลโถงสามครั้ง อัญเชลีวันตาอภิวาสอัญเชลีวันตาอภิวาสบทสุดท้ายอัญเชลีวันตาแลก็ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมอันนี้คือการแท้ทต่ดังกัน มหาญานก็มีสาธาพิธีแบบมหาญานได้มาร้างเสสมัยสังคายนาะแตกกันไปเจว่าก็ได้มาจากมหาข้ามมากัจจปะวารี อ, านอนุรุทธะเทระเทวะเทละวาดทางนี้ ก็ได้กันไปสาสาทพิธีต่างกันสาสันบุคคลก็ต่างกันพระสงฆ์ของเขาเป็นใส่เสื้อแขนยาวๆรังเกงต่างวัดส่วนมากก็สวมรองเท้าจืนแล้วเราก็ถอดรองเท้าสาสัพิธีสาสนบุคคลก็ต่างกันสาสัทธ์ชนบุคคลก็ต่างกัน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 ส่วนที่เหมือนกันคือศาสนธรรมอันเดียวกันคือสติสัมจัยอันนี้เป็นสากลสาสะพิธีสาสะบุคคลสาสนวัตถุไม่เหมือนกันแต่สาสนธรรมอันเดียวกันยกมือช่างจังหวะอันเดียวกันศาสนาทุกศาสนาอันเดียวกันหมดนี่ว่าศาสนธรรมดังนั้นเราก็ หัวใจของเราคือศาสนาธรรมทำอบไรก็ถึงศาสนาธรรมไม่สติไม่สำญญะปล่อยวางรู้สึกเลือกได้นี่จับไปเอาไปไม่หนักไม่หนาอย่าเอ า, อาอื่นมาแปกแตกต่างกันไม่เกี่ยวศาสนาไหนก็คือศาสนาธรรมมันเดียวกันก็ถึงตัวนี้ให้ได้หลุดพ้นถึงมรรคผลในพรานคนไทยไม่โกรธ คนชาติไหนไม่โกรธเหมือนกันหมดคนไทยหลงคนอื่นหลงเหมือนกันหมดความหลงความไม่หลงเหมือนกันความโกรธความไม่โกรธเหมือนกันถ้าใครฝึกหัดตนนาำอย่าไปคิดว่าแปลกแม้แต่เรานั่งอยู่นี่อายุแก่ากอายุหน่อมหน่มน้อยเป็นเพศไม่ชี้เป็นเพศกบาศกบาสิกา เ, เป็นเพศรเเพศระสงฆ์อันเดียวกันาศาสนาธรรมาศารรมสน า, าพิธีต่างกัน ไอ้ชีก็นั่งตรงนี้ญาโจมก็นั่งตรงนี้พระสงฆ์ก็นั่งตรงนี้นี่ศาราพิธีของเราสารบุกขนส่วนศาระธรรมมันเดียวกันจากเนี้จะไปแบ่งกันทําไหมไปอะไรมาอ้างทําไหมเขาถึงศาระธรรมได้เหมือนกันเรารู้สึกตัวอยู่เดี๋ยวนี้ก็ความรู้สึกตัวที่เราอยู่เดี๋ยวนี้อยู่กับพระพุทธเจ้าอันเดียวกันเองอยู่กับพระอรหันต พระอรหันต์ที่มีชื่อเสียงดังๆแปดสิบรูปอันเดียวกันกับเราเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติได้ให้ผลได้ทุกวันทุกโอกาสไม่มีการไม่ีเวลาเลยจะเอาอะไรมาอ้าเราเพยรเอาไว้ลอยเทเอาที่ที่มมานะความเห็นอะไรอย่างอ่ะให้เป็นการสัมผัส บอกแล้วบอกอีกสมบัติ ส, สภาวะที่รู้บอกให้เป็นไม่ใช่ไปเรียนรู้สมบัติความรู้มันก็เห็นกองหลงสมบัติความรูมม้เห็นความทุกข์มันมาให้เราดูมันฉายมาให้เราดูเพื่อให้เราได้ศึกษาให้รู้มันจนมีความในใจของใครของมันว่ารู้แล้วรู้แล้วอ๋อ อ๋อคือบางอ๋อจุ ก, กอืมทุ ก, กอืมวิปัญนาถึงบางโอเขาบอกเออได้มนาะลงตัวแต่เอ๊ทำไม่ทำไม่ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนี้เรียกว่าชีวิตไม่ลงตัวมันปิดบัญชีไม่ได้ถ้าอืมลงตัวปิดบัญชีแล้ว ถ้าไม่ลองตัวก็เป็นการบ้านเรื่อยไปเอ๊ะใจอยู่เรื่อยทำไม่ทำไมจึงทำอย่างนั้นเอาไปทำไมกับคนอื่นทำไมจึงว่ากับเราทำไมจึงทำกับเราทำไมจึงคิดอย่างนี้แล้วก็ขัดแย้งกันไปเห็นคนนินทาอืมแล้วสังเส้นก็อืมได้ก็เออเสียก็อีทุกข์ก็อืมทุกข์ก็อืมไปเลยไม่เป็นไรกับเขา ที่สุดก็คือภาวะไม่เป็นอะไรเนี่ยสัมคันที่สุดนะพึ่งได้ตรงเนี้ยไม่แจ็ไม่เจ็บไม่ตายภาวะไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรไม่ได้เห็นแง่งแง้งจังปางแง้งกว่านี้อันนี้ไม่นแง้งแสงนีออนแง้งจากลู่แง้งโลกเหมือนดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ แจ้งแสงทูบแสงเทียนก็ลิบหลีแจ้งแสงดิออนก็ดีหน่อยแจ้งดวงอาทิตย์ก็รู้แจ้งโลกวัวเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกรู้โลกอย่างแจ่มแจงคือรู้ทุกอย่างอันเกิดกับกายกับใจนี้เห็นไหมเรามาดูสู่ทั้งหลอยจงมาดูโลก การวิกิตรการโดดราชะลดที่คนงูคนหลงว่ากันอยู่อยู่กับความหลงอยู่กับความทุกข์ความโศกอยู่กับความลักความชังอยู่กับการได้การเสียคอยสิ่งเหล่านั้นลิขิต ช, ชีวิตของเราไปถ้าเสียก็เสียใจถ้าได้ก็ดีใจอหลงเป็นบวกเป็นลบมันก็เป็นไม่เหลือศูนย์มันก็มีค่า ลบก็มีค่าอย่างหนึ่งบวกก็มีค่าอย่างหนังลบก็ดีไปอย่างหนึ่งลบก็ผิดอย่างหนึ่งบวกก็ผิดอย่างหนึ่งลวดก็ถูกอย่างหนังที่เป็นสมมติบัญญัติดตามที่เราบัญญัติเอาบางก็ชอบบวกเข้ามาชอบในสางที่บัญญัติเอาเองที่เราชอบคนอื่นก็จะไม่ชอบเนี่ยมันบัญญัติเอาบัญญัติเมือนตานา่างกัน ไม่เหมือนปรรมรสปรัตรสมันไม่อยู่ในที่ชอบมาอยู่ที่ไม่ชอบมันเป็นเช่นนั่นเองตตตาตตตาเป็นเช่นนั้นเองมีเหตุเป็นปัจจัยเช่นนั้นเองหรือว่าตตตาคือตตาคตมันก็เป็นอย่างนี้เราตตาคตก็เหมือนกับท่านทั้งหลาย ทัานทั้งหลายก็เหมือนเราตถาคตท่าเป็นอย่างนี้อันเดียวกันมีรูปมีนามอันเดียวกันมีตาหูจมูกลิ้นกาใจเหมือนกันปวดท้องก็เหมือนกันมีตับไตใช้พุงเหมือนกันผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออกระดูกยเยอะนะกระดูกมากหมวใหญ่ตับปังเกิดไตปอดใช้ใหญ่ใช้ท้องอ่ารไหนท่านเหมือนกันหมด ไม่ใช่คนนั้นเลยพวกเด่นเหียเดินบ๋อ ก, ก็เรียนส่วนเดียวกันตันลังก็มีตับมีไตเหมือนเราคนไทยก็มีตับมีไตเหมือนเรา <c oughs> อันจบก็จบวันเดียวกันจำ น, นั้นอในเรื่องต่างๆอันเดียวกันบางคนจำนานในเรื่องไตบางคนจำนานในเรื่องตับบางคนจำนานเรื่องกระดูกบางคนจำนานในเรื่องเลือด มันก็อันเดียวกันนี่แหละเยอมโกรธหลวงพ่อโกรธอันเดียวกันโยมไม่โกรธหลวงพ่อไม่โกรธอันเดียวกันเรียกว่าวันณะน้นี่ตัดออกไปเลยพู้ทีเจ้าทำลายวันณันี้แต่ก่อนเนี่ยเราถือกันว่าวันณะเนี่เขาจัดพามแพทย์สูตรจนทาน เป็นวันนะที่บรรยาติกันทุกวันก็ยังแค่อยู่เล่นหลงตาไปมหาวิเลยาราณสีไปเยี่ยมนักศึกษาไปทอดพระปาให้นักศึกษาน้อ่าพวกพ้ามเขาเข้าห้องน้ำนักศึกษาพ้ามเข้าห้องน้ำพวกสูตรก็อย่าไปต้งดูก่อน เวลาพามบอกแก้วน้ำงพวกต้องตรกษสสูตรก็เปิดเข้างนั่งมาไปทำความสะอาดให้เ <c oughs> นี่ยวก็เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยเวลามาเจอพวกเราพวกสูตรก็จะมาจับหลังเท่าเราก้มจับหลังเท่าเราเขามาตบหน้าอกของเราเขาก็มาแตะน้ำผาของเขาเขารบเราเอามือแต่หลังเท่าเราเอามาจับหน้าอกของเขาอย่าง เอามาแตะเท้าเราไปจับหน้าอกเขาเอามาแตะหน้าพระเขาเคารพท่านนะก็บับเราเคารรานี่พวกสูตรพวกฉันทานแต่เรานั่งอยู่ในร่มเนี่ยเขามันกล้ามานั่งด้วยเขาอยู่ข้างๆยังมีอยู่ทุกวนันนี่พวกเรามานั่งด้วยกันที่นี่มากินข้าวด้วยกันอันนี้พระเจ้ามันทำลายวัวนน่ะเหล่านี่ยงานก็ยังไม่จบม่สิ้นเลย พวกสูตรไม่มีชีวิตศึกษาเล่าเรียนเลยต้องรับจ้างไม่ไม่คานเป็นเป็นเครื่องมือหาจินเราไปเห็นเราลงเครื่องบินเราลงรถไถพวกสูตรจะเอาผ้าขาวๆผ้าแดงๆพันหัวร้อยมารับกระเป๋าร้อยมาเขียนรถให้เราพวกพวกกันทานก็ ไม่มีโอกาสเรียนเลยต้องขอทานอย่างเดียวเขก็ยอมจำนนต้องไม่ยอมพัฒนาก็เป็นอยู่ทุกวันนี้เออพวกกษัตริย์ก็ปกครองบ้านเมืองพวกพราหมณ์ก็เรียนพวกพราหมณ์ก็ค้าขายพวกแพทย์เรียนหนังสือพวความก็ค้าขายเออพวกแพทย์นะอะไรพวกแพทย์ค้าขายพวกแพทย์ ความค่าขายเลยพวกแค่เรียนหนังสือเลยจละจำไม่ละก็เป็นอย่างนี้นีย่วันนะแต่นี่ก็อะไ น, นั่งก็มันก็ไปไกลเกินไปเล่าก็นี่มีมีมีสาะทะบุคคลต่างกันบ้างแม่ชีก็นั่งอยู่ที่นั่นจ๋ายะมานั่งกับหลวงตาโยมก็นั่งอยู่ตรงนี้พระประธานพระพุทธรูไปไว้ที่สูงจังหน่อย อย่านั่งสูงกว่าพุทธลูกก็ไม่หมาะวันนี้เขาให้หลวงตานั่งธรรมาะมันสูงกว่าพุทธลูกหลวงตาบอกเขามันสูงกว่าพระประธานธรรมะมันสูงให้เกิดขึ้นธรรมาะมาเป็นสิบปีแล้วตอนนั้นก็เราก็ดูเอากาลาเทาะบางทีก็อ่า ก็ต่างกาันอยู่ในแต่ละลัทธินิกายเราจะไปประเทศจีนเรนาก็ไม่ไม่เหมือนเราเนาะกินข้าวอันเดียวกันกับพิกษุณีจับต้องกันได้ถูกเนื้อถูกตัวกันได้แต่เราก็เป็นไสระวาดก็มีบัญญัติท่ามไว ในสิกขาจับต้องการหญิงต้องสังฆาติเศษต้องอาวัตรขนาดกลางผู้เที่ยวหญิงต้องสังาติเศษอยู่กับที่รับหญิงต่อหญิงสองต่อสองต้องสังฆาติเศษอะไรแต่ว่าเขาไม่ต้องนะจับแขนกันเดินอ้อมวัดได้ภิกษุหนุ่มๆไม่ภิกษุณีหนุ่มๆ ไ, ได้แต่นี่เราทำงันไม่ได้เดี๋ยวโยมไลยจึกเลยเอ๋งก็มีก็ก็ฟังกัน